จักบรรดาอนิทานสีขาวเรื่องการตัดสินใจของเลวินเลวินเป็นนักกีฬาพายเรือแคนูมือหนึ่งของประเทศเขาพายเรือแคนูชนะคู่ต่อสู้มาทุ่งสารทิศแต่นั่นก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะการแข่งขันภายในประเทศเท่านั้นเลวินยังไม่เคยไปแข่งนอกประเทศเลย และเขาอยากลองพิสูจน์ตัวเองดูสักครั้งแล้วในปีหนึ่งประเทศของเลวินก็ได้ส่งกีฬาพายเรือแคนูเข้าแข่งขันในศึกกีฬาระดับโลกด้วยแน่นอนเลวินได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมพาลูกทีมเข้าศึกครั้งนี้แต่แล้วก่อนการเดินทางเพียงไม่กี่วันภรรยาของเขาซึ่งกำลังตั้งครรภ์ ก็เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ยอมคลอดสัทีเลวิจนจึงไปพบหมอเจ้าของไข้เพื่อสอบถามอาการของภรรยาหมอตอบว่าภรรยาของคุณมีปัญหาด้านสุขภาพมาก่อนนะเลวินอันที่จริงก็เสี่ยงอยู่แล้วที่จะให้เธอตั้งครรภ์แต่เมื่อเธอตั้งครรภ์เราก็ต้องดูแลประคับประคองเธอให้ดีที่สุดบางทีนะเลวิน คุณอาจจะต้องเลือกเอาว่าจะเอาภรรยาหรือลูกของคุณไว้แค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเลวินไม่อยากเลือกเลยเขาและภรรยาเฝ้ารอลูกคนนี้มานานเขาซื้อเสื้อผ้าเตรียมไว้ให้ลูกหลายชุดซื้อของเล่นมากมายรอให้เขามาเล่นและทําห้องเด็กน่ารักน่ารักไว้คอยต้อนรับในขณะที่ภรรยานั้นเพราะมีเธอ จึงทําให้เขามีกําลังใจที่แข็งแกร่งมีรอยยิ้มที่เบิกบานและมีเสียงหัวเราะที่สดใสยอยู่ได้เลวินลองไปพบผู้จัดการทีมถ้าเขาจะขอถอนตัวออกจากการแข่งขันครั้งนี้และขอโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งหน้าจะได้หรือไม่ mm hmm. นายบ้าไปแล้วเลวินนี่เป็นการแข่งขันระดับโลกชินะ ท่านายไม่ไปร่วมแข่งขันครั้งนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกว่านายจะมีโอกาสในครั้งหน้าอีกหรือไม่ลองคิดดูนะเลวินนี่เป็นโอกาสครั้งสําคัญของนายและกีฬาเรือแคนูของประเทศเราถ้านายไม่ไปและทีมแพตั้งแต่ปีแรกนายคิดหรือว่าเขาจะส่งเราลงแข่งขันเพื่อถ่วงคะแนนรวมในปีหน้าอีก และถ้าเกิดชนะขึ้นมาเราก็คงต้องใช้ผู้แข่งขันคนเดิมที่ชนะมาแล้วคงไม่มีใครไปตามนายกลับมาเล่นอีกหรอกนะเลวินจะต้องคิดหนักถ้าเขาเดินทางไปแข่งขันในอีกประเทศนะึงซึ่งอยู่ไกลคนละซีกโลกเขาย่อมไม่อาจอยู่ดูแลภรรยาได้แต่ถ้าเขาไม่ไปแข่งขันในครั้งนี้ความฝันอันสูงสุดของเขาก็ต้องพังทลายลง ภรรยาของเลวินไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอาการอันตรายเมื่อเห็นว่าสามีกำลังซึมเศร้าก็คิดว่าเขาคงทุกข์ใจกับการเลือกว่าจะไปร่วมการแข่งขันหรืออยู่รอเธอคลอดลูกดีภรรยาของเลวินจึงแข็งใจกล่าวแก่เลวินอย่างเหนื่อยอ่อนว่าคุณไปแข่งพายเรือแค่นูทถะค่ะเลวินไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก ฉันอยู่ที่นี่มีทั้งหมอทั้งพยาบาลดูแลแต่ความฝันของคุณคุณจะต้องไขว่คว้ามาด้วยตัวเองนะคะเลวินมองหน้าภรรยาไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่วันนั้นเขากลับไปหาผู้จัดการทีมแล้วก็ขอสลัดสิทธิ์โดยไม่ต่อรองร้องขอโอกาสอะไรอีกเลยในที่สุดคนอื่นก็ถูกส่งไปแข่งขันแทนเลวิน ในขณะที่เลวินอยู่ดูแลภรรยาที่โรงพยาบาลกระทั่งเธอคลอดลูกชายยังปลอดภัยโดยที่เขาไม่ต้องเลือกว่าจะเอาแม่หรือลูกไว้วันนั้นประเทศของเขาก็ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันพายเรือแคนูภรรยาของเลวินสุขภาพอ่อนแอดังนั้นหลังคลอดลูกเธอจึงต้องพักฟื้นร่างกายอีกพักใหญ่เลวินจึงต้องเป็นผู้เลี้ยงลูกชายด้วยตนเอง ตลอดเวลานั้นมีคนแวะเวียนมาเยี่ยมเขาบ่อยๆและกล่าวแสดงความเสียายที่เขาไม่ไปร่วมการแข่งขันจนพลาดเหรียญทองระดับโลกไปแต่เลวินซึ่งอุ้มลูกชายอยู่กล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกเมื่อผมเห็นหน้าลูกและรู้ว่าภรรยาปลอดภัยผมก็ไม่เสียใจหรือเสียดายอะไรกับเหรียญรางวัลพวกนั้นอีกแล้ว ผู้มาเยี่ยมแยงว่าท้อเอ้ยแต่นี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของคุณนะใครๆก็รู้ว่าคุณมุ่งมั่นกับการแข่งเรือแคนูมากแค่ไหนแล้วทําไมคุณถึงทำให้เรื่องแค่นี้มาฉุดเอาโอกาสสำคัญในชีวิตของคุณไปได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเลวินอาจจะโกรธคนที่พูดแบบนี้แต่ตอนนี้เมื่อได้อุ้มลูกเอาไว้กับอกเขาก็ไม่รู้สึกโกรธเลย เลวินรู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีที่ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของตนเองแม้ว่าบางครั้งสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้แค่คืบก็ตามโอกาสสำคัญคงไม่มีความหมายถ้าผมต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปคุณลองคิดดูเถอะว่าถ้าผมไปแข่งขันพายเรือแคนูที่ผมรัก จนได้เหรียญทองกลับมาแต่ภรรยาและลูกของผมไม่อยู่เสียแล้วผมจะเอาเหรียญทองนั้นมาให้ใครดูกันเล่าปีแล้วปีเล่าหลังจากปีนั้นเลวินก็ไม่ได้รับเลือกให้เข้าแข่งขันอีกเลยแต่เขาก็มีความสุขดีกับครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อลูกชายโตพอที่จะฝึกพายเรือแคนูได้เลวินก็ได้ทำในสิ่งที่เขารักอีกครั้งแม้ว่าครั้งนี้ เขาจะไม่ได้ทำมันด้วยตนเองแต่เขาก็ได้สอนเจ้าหนูเลโอให้พายเรือแคนูอย่างกล้าวกล้าเลวินรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เห็นลูกชายจับไม้พายเพื่อฝึกหัดพายเรือแคนูเขาก็มีความสุขซะยิ่งกว่าตอนที่เคยทำมันด้วยตัวเองเสียอีก20ปีต่อมาขณะที่เลวินกำลังนั่งฟังรายการวิทยุอยู่กับภรรยานั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเลวินเดินไปรับโทรศัพท์ เป็นเสียงของเลโอ ท, ที่ร้องบอกผู้เป็นพ่อมาตามสายด้วยความตื่นเต้นว่าพ่อครับผมทําได้แล้วครับพ่อผมคว้าเหรียญทองจากการพายเรือแคนูมาให้พ่อได้แล้วตอนนั้นพ่อเสียสละโอกาสของพ่อเพื่อผมแต่ตอนนี้ผมนันมันมาคืนให้พ่อได้แล้วครับเธอทั Hence, ทท้งหลายปัญหาสำคัญของมนุษย์ ในยุคสแสวงหาความเจริญโดยไม่มีวันสิ้นสุดก็คือเรามักจะหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตไปตัวอย่างนี้มีเห็นได้ง่ายๆเธอลองมองไป ร, บรอบๆตัวเธอสิมีใครบ้างที่ไม่ดิ้นรนสแสวงหาความมั่งคั่งจากการประกอบอาชีพมีใครบ้างที่ให้เวลากับครอบครัวมากกว่างานที่เขาทำ มีใครบ้างยอมเสียสละงานดีๆเงินเดือนสูงๆเพื่อกลับมาอยู่บ้านเกิดซึ่งมีพ่อแม่แก่เฒ่ารออยู่มีใครบ้างยอมทำอะไรเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองเธออาจจะเถียงว่าที่ดิ้นรนทาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งที่สําคัญที่สุดทั้งนั้นแต่ความคิดนี้ต้องใช้เวลาและความพอใจเป็นตัวแปรนั่นหมายความว่า เมื่อถึงวันที่เธอหยุดขวนขวายและระลึกได้ว่ามีคนสำคัญอยู่ข้างหลังซึ่งก็ไม่รู้แน่ว่าเมื่อไหร่สิ่งสำคัญนั้นอาจจะไม่อยู่รอเธออีกแล้วก็ได้เวลาในชีวิตหนึ่งของเราช่างสั้นเสียจริงเธอเอย๋ยเธอตรงคิดและจัดลำดับให้ดีถัดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอและจงเลือกทำสิ่งนั้นก่อนเสมอแน่ละ่ะ ว่าการทำเช่นนี้อาจทำให้เธอต้องเสียอะไรดีๆในชีวิตไปอีกตั้งหลายอย่างแต่มันก็คุ้มสำหรับการรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดเอาไว้ถ้าทำอย่างนี้ได้เธอจะรู้จักคำว่าความสุขและจะไม่นึกเสียใจในวันที่ทุกๆอย่างสายเกินไปแล้วเลย